เป็นเวลาเกือบเดือนแล้วนะที่ผู้คนทั้งโลกเนี่ยติดตามเป้าดูนะาการแข่งขันนะระดับโลกนะในะฟุตบอลโลกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะไม่รู้ว่ามันมีจะเรียกว่ารายการระดับโลก อีกรายการหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ก็ยังสืบเนื่องอยู่นะแล้วก็สำคัญมากนะสำคัญกว่าฟุตบอลโลกนะที่คนทั้งโลกกำลังติดตามอยู่รายการระดับโลกที่ว่านี้ก็คือนะการประชุมระดับโลกเลยนะเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเขาเริ่มมาได้เกือบสบวันละ ตั้งแต่วันที่8แล้วก็จะสิ้นสุดนะวันมะรืนเนี่ย18มีตัวแท น, น200ประเทศเลยนะมาประชุมกันที่ประเทศแคนาดาแล้วก็เลขาธิการสหประชาชาติซึ่งไปเป็นผู้จัดแล้วก็ผู้กล่าวเปิดงานนี่ก็บอกว่านี่นี่คือโอกาสสุดท้ายที่ดีที่สุดนะสำหรับการกอบกู้ธรรมชาติหรือการ ดับยังการทำลายธรรมชาติเป็นโอกาสสุดท้ายเลยทีเดียวซึ่งเรีวยกว่าคนทั้งโลกยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยนะว่ามันมีการประชุมที่สำคัญแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวกาหนดทิศทางนะของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในวันนี้แล้วก็วันหน้าว่ามันจะช่วยยับยังนะ้งวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราได้หรือเปล่าเวลาพูดถึงวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติเนี่ยหลายคนก็นึกถึงปรากฏการโลกร้อนนะซึ่งก็เพิ่งมีประชุมกันนะระดับโลกเมื่อเดือนที่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะแต่ว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นกับธรรมชาตินี่มันไม่ได้มีแค่ปัญหาโรคร้อนนะถ้าจะสรุปย่อยๆเนี่ยนะวิกฤตของธรรมชาติเนี่ยหรือวิกฤตที่เกิดกับธรรมชาติตอนนี้เนี่ยมันมีสามเรื่องใหญ่ๆนะนเรื่องมลภาวะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวการสำคัญนะที่กำลังวิตกกันคือเรื่องฝุ่นนะ PM 2.5 าแล้วยังไม่นับถึงมลภาวะที่เกิดขึ้นในน้ำนะ น้ำเนาน้ำเสียอากาศเป็นพิษอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วสองเรื่องของความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศอันนี้แหละนะ้าที่เราเรียกไง่ายๆว่าโลกกำลังร้อนขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่มากเนาะและภูมิปัญญาที่สามเนี่ยคือความไร้อรอของทรัพยากรธรรมชาติน้ําก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ แตว่าทรัพยากร น, นีมนมมน่มันไม่ได้มีแค่น้ำมันไม่ได้มีแค่น้ามันไม่ใช่มีแค่รร้ทานนะแต่มันรวมถึงอาหารและที่สำคัญคือมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยคนเราอยู่ได้เพราะธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำยา ทั้งหมดนี้ก็สัมพันธ์กับสุขภาพและความอยู่รอดของมนุษย์เวลาพูดถึงอาหาเรก็นึกถึงข้าวนึกถึงถั่วนึกถึงผักนึกถึงเนื้อไก่นะปลาแต่ทั้งหมดนี่นะมันอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีธรรมชาติชนิดอื่นๆคอยสนับสนุนอย่างข้าวเนี่ยนะ ถ้ามันไม่มีปัจจัยอื่นมาสนับสนุนมันก็แย่นะไม่ใช่แค่น้ำไม่ใช่แค่อากาศแต่ว่ารวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นในธรรมชาติด้วยผลไม้และชนิดนี่ก็รากินได้นะให้ให้อาหารกับเราก็เพราะมันมีพวกพึ่งพวกผีเสื้อมาคอยผสมเกสรพูดง่ายคือว่าความหลากหลายทางชีวภาพหรือการที่มีสิ่งมีชีวิต น, นานาชนิดเนี่ย มันช่วยสับสนให้เรามีข้าวเรามีผักเรามีปลาเรามีเนื้อนะรวมทั้งเรามีน้ำมีอากาศเพราะนั้นเนี่ยต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ชีวภาพในที่นี้ก็หมายถึงสัตว์หมายถึงพืชรวมไปถึงแม้กระทั่งพวกมแมลงราแล้วก็แบคทีเรียพวกนี้ประกอบกันนะ สัมพันธ์กันโยงใยกันทำให้เกิดอาหารทำให้เกิดน้ำทำให้เกิดทรัพยาการต่างๆที่ช่วยทำให้เราอยู่รอดได้แต่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าความห ล, ลาก้านทางชีวภาพตอนนี้กำลังกด้ายไปเยอะเลยอย่างเขาบอกว่าเนี่ยประมาณสิ่งมีชชว่ประมาณ1ในสหรือ30เปอร์เซ็นต์เนี่ยกำลังจะสูญหายไปจากโลก เอาองนึกง่ายๆถ้าหากว่าผึ้งหรือผีเสื้อนี่หายไปจากโลกนี่เราเดือดร้อยเลยนะเพราะว่าอาหารที่เรากินเนี่ยประมาณ 70% เนี่ยมันก็มาจากการผสมเกสรของผึ้งของผีเสื้อสิ่งมีชีวิตเนี่ยประมาณ1นในสามกำลังสูญพันธุ์และในจำนวนนี้ก็รวมถึงสัตว์ป่าจำนวนหนึ่ง 1, ล้านชนิดนะที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปจากโลก วันนี้ถ้าเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนี่มนุษย์เราทั้งโลกนี่เดือดร้อนนะเราไม่ไดเดือดร้อนเฉพาะโลกร้อนอย่างเดียว น, นะแต่เดือดร้อนเพราะว่าข้าวป่าอาหารยารักษาโรคหรือแม้กระทั่งน้ําน้ํากินน้ําชายมันหมดหายไปเขาเลยมีการประชุมที่ว่าเนี่ยนะเพื่อหาทางสกัดยับยัง้งการทําลายธรรมชาติ ไม่่จะเป็นการทำลายป่าไม่อเป็นการทำลายน้ำเพราะพวกนี้มันก็ทำให้ชีวิตนาน า, นาทาให้ชีวิตน า, นานาชนิดเนี่ยมันสูญหายไปเขาก็เลยวางแผนไว้เนี่ยเขาคาดหวังว่าเนี่ยภายในแปดปีข้างหน้าเนี่ยจะพยายามอนุรักษ์พื้นที่ทั้งที่เป็นพื้นดิน แล้วก็แหล่งน้ำให้ได้ส0มสิบอร์เซ็นอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าไม่งั้นนี่ความหลากหลายทางชีวภาพมันก็จะหดหายชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จำนวนมากก็จะสูญพันธุ์ไปแต่ว่าเขายังตกลงกันไม่ได้ทีเดียวนะว่าจะทำได้ไหมเนี่ย กันพื้นที่ 30% ให้เป็นเขตอนุรักษ์หรือว่าให้ได้รับการดูแลนะไม่ให้ธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปไม่อจะเป็นพื้นดินหรือว่าแหล่งน้ำนี่แล้วกำหนดหมายนี่กนะ็ภายใน8ปีนะหรือว่าปี2030นะถ้าเป็นคอสอก็ยังตกลงกันไม่ได้อีก2วันก็ จะสิ้นสุดการประชุมแล้วอันนี้คนก็ไม่ค่อยได้รู้เลยนะว่าโอ้นี่เป็นการประชุมที่สำคัญมากน้องๆการประชุมเพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดโลกร้อนขึ้นนะซึ่งประชุมกันไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วก็ขลุกขลักทีเดียวนะแล้วก็ยังไม่ได้ผลสรุปที่น่าพอใจ อันนี้กิเป็นเรื่องที่เราต้องรู้เอาไว้นะเพราะว่าในความหลากหลายทางชีวภาพนี่เป็นทรัพยาก่รที่สําคัญที่คนพึ่งตระหนักกันว่าชีวิตต่างๆที่มันเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายยงใหญ่นี่ถ้ามันเป็นเหมือนเบาะนะที่รองรับการอยู่รอดของมนุษย์และของสัตว์ชีสมีชีวิตต่างๆซึ่งก็ต้องทําได้นะดยการลดมดลภาวะ นะทิ้งพลาสติกให้น้อยลงใช้ยาฆ่ า, า, มาแมลงให้น้อยลงแล้วก็ลดการทำลายป่าอันนี้บางอย่างก็ช่วยทำให้ลดปัญหาโลกร้อนแต่บางอย่างนี่มันก็ไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงนะแต่มันช่วยทำให้ธรรมชาติถูกทำลายน้อยลงแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเรื่องนี้ต้องรู้เอาไว้นะเพราะว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของปัจจัย4มีเงินแต่ไม่มีข้าวไม่มีน้าก็ หลาประโยชน์นะอย่างที่หมอมจันทริทิพย์พรเนี่ยบิดาเกษตรก ร, กรไทยท่านเคยกล่าวว่าเงินทองเป็นของมายานะีข้าวปลาเป็นของจริงเนะีเงินทองเป็นของสมมุตินะขึ้นลงนะแล้วแต่การสมมุติแต่ว่าข้าวปลานี่อันนี้ของจริงนะคือถ้าไม่มีข้าวไม่มีปลาไม่มีน้ําก็อยู่ไม่ได้มีเงินแต่ไม่มีอาหารมันก็ไปไม่รอดไม่มีเงินแต่มีอาหารมีข้าวมีปลา ก็ยังอยู่ได้แลวจะมีข้ามีปลาแดงก็ต้องมีธรรมชาติที่สมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพพอสมควรอันนี้ก็เรื่องที่ต้องรู้เอาไว้นะ